เพื่อเอาหาเปีียวข้ีงกับ้ากจำเนยมากทึนกาทำให้ดูทำประรัถิงสามรอบนั่นคือทำความเคารพเดนินประรักถิ่งไปเวียนขวา เดินเยือนขวารอบแรก อ, อาะลึกถึงพกุฏิเจ้ารอบที่สองจะทำรอบที่สามลึกถึงพระสงฆาา์มีอากาศในสาธาชนพอได้ยึดเป็นหนักเป็นเกลียแม้แม้งั้นก่อนเดินไปเฉยก็ไม่เป็นประโยชน์มีจำนวนน้อยเวลานี้ อีกคเห็นท่านแต่ก่อนไม่มีไม่มีพวกเทพพวกอะไรนี่มันจะน่าเสียดายอาแค่อะไรก็หายไปหมดหายหมดพูดไปโจดย์าจากท่าน มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ตดอจเองที่ให้ได้ถูกต้องแน่นยามจริ ง, จ, รงจากท่านโดให้เป็นพระกไกรเปโตรขึ้นมาก็เหมือนกันทางที่ท่านสาจมั่นท่านพูดที่เราจะเขียนในคําบอกเล่าบอกเล่าของท่านในการตอบปัญหานั่นเป็นคําของท่านอาจารย์มัน่นคือท่านถอดมาจากหัวใจท่านท่า น, นัเทียบดูหมด เรีว่าพระพุทธเจ้าวรรณะพกันหลายวันปีแล้วถึงมีผู้เรื่องได้แล้วจดจารึกขึ้นมาซึ่งก็ไม่พ้นที่จะเป็นประจามในความสามารถของผู้นั้นเหมือนกันความสามารถลึกตึ้นอย่าเอียดเพียงไรก็จะได้ออกมาเพียงเท่านั้นนหาะเราเราขูด่ทำมันเต็มตัวเลยกว่าถ้าเป็นพระรหันต์เป็นผู้จดจารึกคำภีใบาลานั้นเต็มไม่เต็มหน่วยนั่นแหละเป็นโดยลำดับขึ้นมา สนกรทั่งปุถุชนเราไปจดจารลึกเอาคํามพากายไปดกนั้นก็เป็นอย่างว่าเป็นอยู่กับพีเพื่อ พ, พีไปเพราะความรู้นี่เป็นความรู้กับพีนั่นเป็นความจริงเต็มส่วนมันจะเข้ากันได้งไงพระอรหันต์จดจารลึกนี่พระอรหันตรู้นี่พอพูดอะไรรู้ทันทีทันทีพอวิ่งประสานกันอย่างนี้ความจริงเท่ากันจะว่าไถึงจะถ้าเคลืนบ้างก็เล็กน้อยในนิสัยของพุทธวิสัยกับ สาวกัวิสัยเป็นปริญานั่นส่วนศัจธรรมแท้นั้นเต็มภูมิเต็มมเต็มภูมิเมมเรื่องถ้ากายไปโดดมันจึงขึ้นอยู่กับผู้กัท่านแล้วก็มีอย่างยิ่งประวัติของครูอาจารย์ผู้ท่านสำคัญสำคัญด้วยแล้วนั่ น, นอย่างที่เขาเขียนประวัติหลวงปู่บุดดา ออกมาผู้แล้วเขาก็เอามาอ่านมันก็อดไม่รเหมือนกันหรอกผู้อย่างเรานีื่ก็ยังอดคิดไม่ได้ทรารถาท่านก็ไปลงสำคัญ อ, องค์หนึ่งพู้มาจุดองคท่านออกมาเ ล, เลยเหมือนกับมาทำลายเรื่องของท่านหมดพอถึงจุดสำคัญสำคัญนี้ลบไปหมดหาเยเียบหายียบอ่าไ่เน่เป็นตัวย คือถ้าหว่าจริงด้วยกันนี่มันเข้าถึงกันได้ปัปับปัเต็มร้อยเปอร์ซ็นต์ร้อเปอร์็ถ้าหนึ่งจริงกับหนึ่งปลมนี่มันก็เข้ากันไม่ได้ก็เพียงสัญญาความจําท่านจะเอามาอยิมาเป็นเงาเงาเงาเอาความจริงมาไม่ได้เพราะจิตไม่ถึงของจริงเอาของจริงมาได้ไหมทางประวัติของท่านอาจารย์มันนี่ไม่มีผู้เขียนผู้แจ้งแล้วก็ เราเพราะความพระรบริ่มสายสัานแล้วเราก็ตะเตียการเราเฉยนานั่นนะนะ่ะเพราะงั้นถึงร่ำดูคาแบ่งั้นแหละดูเอานี่เรายอมลาบคเคยท่านจริงๆไม่ลืมไม่ลืมนะมันฝังในจิวใจัตั้งแต่คว น, นท่านจะป่วยนะนะั่นแหละวันนั่นเป็นวันประชุมถ้าคุณกอใครวะวาง เราอยู่กับหมู่กับเพื่อนมานี้เป็นเวลานานแนะนำสังข์ฉนก็หมดผุกงแล้วใครมีความรู้สึกไงบ้างวะท่านพูดท่านั้นเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ในที่ประชุมไม่มีองค์ไหนกราบเรียนท่านว่าไงนิ่งหมดเราก็กราบเรียนตามของงูของเรานี่โอ้คิดเต็มหวัวใจก็บอกแต่เวลานี้กาลังวุ่นตลอดเวลา<ม>เออเอาละทอานั้นท่านเข้าใจ เขาจะมันเธอจะตายอะไหนี่หวังนันพูดยังไงแล้วก็หยุดเลยมขมหมายนั้นก็คงจะหมายว่าใครได้คนคิดยังไงจจดใจดลึกอะไรๆว่าพอเป็นหลักเป็นฐานเป็นเงาเป็นล่องเป็นรายบ้างมีหมายคงจะหมายว่าอย่างนั้นเราก็เดาไปนั้นแหละ ป่าหาที่เรบคล้อของพระกรรมฐ า, านก็ไม่มีแล้วอย่านี้ที่ไหนจะเป็นดงตเนป่าก็มีเรื่องสังหารคือสังหารอยู่นั่นเสียทําลายอยู่นั้นเสียเลยไปไม่ได้เข้าไม่ได้อย่างที่ทําเลที่พวกท่านหวดท่านเป็นไปที่ทวัตถุกอกกรรมนี้เมืเ่ออะไรเขาจับพลัง น, นี่ไปเห็นหมือแล้วนั่นไปเห็นหมดทุกซอกทุกมุมแถวนั้น จับนะอยู่ในย่านไหนยังไงพอเขาบอกปั๊บเข้าใจกันทีดีพราเราไปภาษาปีหนึ่งไปนั้นปีหนึ่งไปตรงนั้นปีหนึ่งไปตรงนั้นนอนภาษากันไปภาษากันมาภูเขาแถวสกลนครกาลสินแถวนี้มันหมดเพราะนั้นปพูดจุดไหนก็รู้หมดเห็นว่าอำเภอนาแกมันอยู่ตรงนั้นนี่รู้ทันทีเพราะเราไปเที่ยวหมแล้วแต่ก่อนไม่มีพวกนี้ไม่มีเลยอยู่อย่างสะดวกสบาย อันนี้พาไปอยู่ก็ไม่ได้ท่นไปอยู่ตามเะดิยนินสัยของท่านเพื่อบำเพ็ญด้วยความสะดวกทางการก็ต้องส่งมนุ์ท่านลงมาแม้งั่นก็เป็นจุดที่สงสัยทางป่าก็สงสัยทางบ้านเมืองก็สงสัยเป็นตือเป็นอะไรกันไปนั้นต้องได้ลงมาถ้ะไปที่ไหนก็ไม่สะดวกมันแต่ก่อนนี่มันก็อยู่กันอย่างนี้หรืว่าไงเหมือนอึ่งอยู่ในข้องเลยเต็มอูนี่ ไปที่ไหนก็ไสะดวกให้เล่าก่อนจะตายก่อนทนเอาอย่างนี้จะคิดอยู่อย่างวันนี้แล้วฉันชาในประเทศจะจะเหนื่อยพอแล้วต้องไปไล่คนนี้แต่เขาเอ่เฮไปไหนนะข้อความมันเหนื่อ ย, อยวันนี้ก็ยังไดต้องได้พูดอย่านี้ทำไงทำพอให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในะเอาไว้อย่างนั้น ต่อไปนี้ก็จะค่อยกระจัดกระจายกันออกไปแล้วนีอยู่เฉพาะผู้ที่ยดเป็นเข อ, อยู่ที่นี่และรับกันไม่แล้วท่านั้นงพรนั้นก็จะต้องในกระจัดกระายกันออกไปถ้ามากมันก็อย่างว่าละ่ะฟังอาเยอะมากตั้งแต่เงินเป็นของดีของดีงดมากอะไรเลยกลายเป็นเฟอร์ไปได้นั่นตรงไห น, นอยู่ที่ไหนค็าหเป็นความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียนมาศึกษาประโลม รวมเป็นตู้การตู้ขาก็ยังดีถ้าจะอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดตลอดเวลามันก็ไม่สะดวกทั้งพูดที่อยู่ก่อนและผู้อยู่ที่หลังความพักเพี่ยนแทนที่จะเป็นไปเต็มไม่เป็นหน่วยก็ขาดก็ด้อยลงไปลูกิ่งทุกอย่างก็อึดอาดนืนา่ามากกว่ามากทำอะไรควรที่จะรวดเร็วไม่รวดเียวเพราะมากมาตรฐานไม่เหมือนกับทางด้านประหยัเกี่ยวกับเรื่องความสามาัคคีทำอะไรต้องสามาัคคี พร้อมกันทำปกปอัต ร, รคนหนึ่งทำคนหนึ่งหยิเฉยย่งั้นไม่ได้ทีนี้มื่อมากเข้างานก็มากมันก็ทำไม่ล่าช้าป่าที่จะให้อยู่ก็ไม่มีแล้วมันเป็นป่าคนไปหมดทำงานผุดเผ่านานนะ ทำใจให้มันสงบเย็นใจเย็นแล้วสบายล่ะใ จ, จ ย, ยุ่งอย่างเดียวท่านั้นแหลกไปหมดอะไรก็ร้อนไปหมดทำใจให้สงบเย็นมือไห น, นก็เย็นใจเราเป็นรากฐานสำคัญระวาง่งเขาจะยาพิดมาป้อนอนะแล้วสลบตายไม่ฟื้นนะร้อยาาบอกเพราะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนี์ตัวเฉเนียร์จันไรอย่างร้ายแรงที่สุดกับความจริงเพราะศาสนาเป็นของจริงเทศความจริงของจริงออกมาทั้งนานนั่นแ่ะของปลอมมาทำลายที่นี่กิจการของเรามันปลอมอยู่แล้วนี่กับของปลอมมันเข้ากันได้ง่ายเชื่อได้ง่ายนั่นเี่ระวัาางตรงนั้นนะ อันนี้เอาทันนั้นแ่ะน ะ, ะเลิกเป็นได้ยุ่มเขาเรียอยุมเลิกลาเลิกไปก่อนเด็นักมวยที่ฝึกซ้อมกับครูเต็มเมดเต็มเหน่อยเอาสักสึงาตายมันฝึกซ้อมก่อนเวลาขึ้นวันเวทีแล้วครูไปยืนดูไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยก็เตะมันไม่ใช่นักมวยมันเป็นกระสอบนี่สุดกระซ่างกันทุกเนี่ยทุกมงึง าการควาคลื่อนไหวทุกอย่างมันก็เหมือนเราเขาขึ้นขึ้นเวทีตลอดเวลาถ้ามีสติมัน <c oughs> มันก็ไม่แสดงตาแสดงหูมีสติแล้วมันก็แสดงนั่นแหละเหมือนกับถูกที่เลยมันต่อยตลอดไปลาเหมือนก็สอบมองไปมันขวางแล้วน่ะยังปฏิมากระสี สติปัญญานี้ไม่มีมันก็ไม่เห็นเรื่องของความผิดขตัวเองไม่เห็นเรื่องของกิเลสมันแสดงในแง่ไหนว่าเป็นเราทั้งนั้นหรืว่ามีสติปัญญาเป็นเครื่องจับเครื่องวัดกันโดยลําดับลำดับตามตึกอตามต้อนกันโดยลําดับนั้นมันก็เห็นขึ้นไปด้วยหรือตามเลื่อนข้าเลื่อนเอาไปเลื่อนเกี่ยขนาดไหนมันก็สู้สติปัญญาไม่ได้เอาจจะกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ มันไม่เหนือสติปัญญาไม่เหนือมันต้องเหนือสติปัญญาอย่างนั้นแหละเพราสติปัญญาเหนือมันมันก็เหมาะราบเยอะหมดทราบไปเลยภายในจิตมันไม่มีการสถานที่เด้านเวลาทักษิณเด็ดอย่างเดียวเท่านั้นหรอกมาตกมาแต่มเรื่องนย่างนี้มาคาดมาหมายนี่ให้ยุ่งไปตามตลอดเพาหมด ตัวหลอกเมื่อยู่ไหนมันอยู่ได้สบายหมดมันกําหนดกฎเกณฑ์แม้กระทั่งมาตายยังไงวันไหนวันตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนจะเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรคิดแต่มันเสียไปร่ำเว ล, ลาทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยภายในใจนีหมดแล้วนะเอาทำมันอินตัวอีกทีอินตัวแล้วไม่สอบหิดไม่สอบไม่แสดงไม่ดิ้นไม่ดีดไม่ยุ่ง ความดิ้นความดีความยุ่ ง, ง, งทั้งหมดเป็นเรื่องของจิเรศทั้งนั้นลากไปถูไปนั่นแล้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้วมันไม่มันไม่อยาอยากอะไรไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้ตายวันไหนตายได้ทั้งนั้นอง่ายสุดอย่างโครคภัยไข้เจ็บมันมีเต็มร่างกายมันก็โรค ก, ก็โรคสิ จะทำยังไงของจริงทุกขังเรียกะ จ, จังชาติพิทุขาชราลาพิทุข า, า, ามันนำเป็นทุกขัาเป็นความจิงทั้งหมดสัจะธรถ้าติปัญญาคราบไปหมดแล้วอะไรจะเข้ามายุ่งได้มันเป็นไปตามความจริงของมันเรียว่าของจริงของจริงแต่การแก้ก็เลยที มก็ไม่พ้นกับที่จะติดพันกับกิเลส ต, ติดใจกิเลสล้มก้นมุ阳กิเลสเอาไปต่อสู้กับมันมันกล่อมทีเดียวซะหลับคร อ, อไปเลยอันนี้สิมันไม่ฝืนจิตฝืนใจบ้างความสุขที่เกิดจากกิเลสมันพิเสษพิศูอันไหนบ้างเราเคยได้รับความสุขจากมันมากแค่ไหนเพียงไหลไม่ได้สงสัยใครพอดีความสุขจากธรรมที่มันยังไม่เห็นนี่นมันเริ่มเห็นบ้างสิ มันจะได้เป็นเครื่องวัดกันเทียบกันห่างกลางเรามันก็ผิดอะไรกับวัตถุเหล่านี้ที่ว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเร า, านี้มันผิดอะไรกับอย่างนี้อันนี้เขารู้เรื่องเราไหมนี่ว่าเป็นสล า, าของเราเขารู้เรื่องไหมว่าเขาเป็นสล า, าเขาเป็นไม้เขารู้เรื่องของไหมทั้ท ง, ทงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ มีอยู่นี่ไม่ไปที่เสีธไม่ได้แต่ท้นนี้เขาว่าเขาเป็นเราไม่เป็นของเราไหมเขาว่าเขาเป็นไม้ไหมเขาว่าเขาเป็นสลาไมไหมเขาไม่รู้สึกในความหมายเหล่านี้เลยธาตุถันก็เหมือนกันอย่างนั้นยกล่ะนะยกไนะยกมก้ยกมือยกไว้เป็นความรู้สึกของจิตเป็นผู้บงังคับแต่เท่านั้นอันนี้เองเขาไม่อยมีความรู้สึกในตัวเขาเอง พิณาทีมันจะต้องรู้อย่างว่านี่ทุกสัตว์ทุกส่วนตาเนี่ยก็เหมือนการเห็นนั่น嘛ตัวตาจริงมันไม่รู้ว่ามันเห็นนั่นนะความรู้นี่ออกไปจากที่หูได้ยินนั้นหูได้ยินนี่ก็เป็นเครื่องมือของใจหูจริงมันไม่ทราบมันได้ยินไม่ได้ยินพิณากันกรองมันถึงขนาดนั้นรู้ชัดขนาดนั้นแล้วมันจะไปยึดกันยังไง มันไม่เห็นจะชัดอย่างว่าอย่างนี้ผิดกันอะไรกับว่านี้ไงนั่นคือความจริงจิดที่มันลงถึงความจริงแล้วมันก็เหมือนสภาพเดียวกันกับภายนอกมันีอ๊ะมันจะไปเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับสิ่งนี้มันจะพังเมื่อไหร่มันก็ลงไปยืดน้าลงไปของเดิมเมื่อวันมันจะไปไหนมาไปว่ามาก็ว่าอย่างนั้นความคงเส้นคงวาก็คือท่าเดิมเมง่วันไม่เหือนอันนี้ก็ลงไปสู่ท่าเดิมของเขา เวลานี้ก็มีจิตเป็นเจ้าของเขายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราว่าไปพร้อมไปตามกิเลสยึดยึดจริงๆนะอยึดจนเป็นทุกข์จนจะหาบทุกข์ไปไม่ไหวหนั่นไมว่ากิเลสมันอํนานาจมากเด้ยังไงมันอำนาจมากขนาดนี้เน่าทําทัานชี้บอกขนาดนี้นมันยังไม่ยอมเชื่อเพราะกิเลสม่ให้เชื่อนะไม่ใช่เราเราหลันอยากเชื่ออยู่ กิเลสมันไม่ยอมให้เชื่ออยงนี้นั่นเราก็ไม่เห็นมันตรงนี้อยู่ดีทำภาขี้ค้านขี้เกียจมันไม่เชื่อถ้ากิเลสพาขี้เกียจมันเชื่ออา่านฟังทียสิสองบทนี้ทำพาให้ขี้เกียจขี้คลานมันไม่เชื่อ แต่กิเลสพาที่อยากกิริยานี้มันเชื่อกิเลสพาขยันมันเชื่อถ้าทําปาขยันมันไม่เชื่อนั่นตังที่แยกมาเป็นสองแง่สงแง่ดนะัควรเกียทบทวนได้โดยไม่ต้องอธิบายขี้เกียจขี้เกียจอะไรสิ่งที่ทําไม่เกิดประโยชน์แต่ตัวเองทำประสมัยขี้เกียจสิ่งใดที่เกิดประโยชน์กต่ตนขยันตังที่นั่นทำกิเลสมันไม่ว่ามันพลิกปุ๊เลย ถ้าจะทำในส่วนที่เป็นประโยชน์และขี้เกียจนั่นเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องกิเลสแล้วไม่บอกว่าขี้เกียจเพราะปเรื่องของมันนั่นถ้าทางก็กิเลสแล้วมันนะขยันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นเรื่องที่ทำแล้วมานขี้เกียจไม่อยากทำนั่นมันขัดกันอย่างนี้นั่นแหละสันกับคมมันอยู่เริ่มงนี้เรื่เดียวกันพิจนาไปพิจนาไ ป, าปมันก็จับได้หมดเรื่องนี้ เอาจนกระทั่งมันไม่มีอะไรที่จะมาฟัดมาเหวีย่ยงมาเป็นคู่แข่งกันแล้วมันจิ่งเห็นได้ชัดอ๋อมีเท่านี้มีอันเดียวเั่นี้เองเป็นเจ้าอำนาจบังคับเข้าใจตลอดเวลาไม่ใช่อะไรในโลกนี้สามโลกกระทมีอะไรมาบังคับเข้าใจได้นอกจากกิเลสเท่านั้นไม่รู้เลชัดอย่างนี้ว่าโลกมันกว้างกว้าง ว่าแคบนิดเดียวก็กแคบมุูที่ใจรู้อยู่ที่ใ จ, จ, ใจละอันนุที่ใจหมดกันที่ใจนี่ถ้าไม่หมดมันกระบีบเป็นยุที่ใจนี่สัมพันนันอะไรอะไรก็ไปเป็นกว้างไป็นขวางไปหมดเพราะอันนี้พาให้กว้างอันนี้หลอกไปหลทําให้เกินไปหลงไปเรื่อยกว้างเท่าไรก็ไม่กว้างเพราะว่าไม่กว้างมันหลอกไปเพอพี่นาตีตัวเล่าเข้ามาตัล่อเมาด้วยความรู้วความสลาดของปัญญาแล้วแค่เขมมา้ามาแค่ออกมาฟาดจนแหลกไม่อะไรกว้างอะไรไม่กว้างหรือเอาไปสําคัญต่างห่างนี่เนี่ อะไรมีอะไรไม่มีใจไปสำคัญต่างหากความใจนี้หยุดเพีย อ, อันเดียวแล้วความหยุดความหยุดของใจไม่ยุ่งนั้นเป็นผลเป็นยังไงเป็นความสุขความสบายยังไงบ้างความไปยุ่งกับสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ความลำบากยังไงบ้างมันรู้กันหมดตอนที่เรากำลังยุ่งชนมุไหวไม่รู้ มานะีถั ง, งวัดต่าวันตัดเราที่ใายๆก็ว่าเข่งครับอย่าไปดีใจไปตื่นนะไม่ได้เข่งครับนะ้หย่อนยานที่สุดแล้วนะ่นี่นะ เราอยากเข้าใจเราปล่าหวันตาเนี่เส้นขาดนะเดี๋ยวไตื่นลมปากเขานะความจริงมันไม่ได้เส้นขาดย้อนยานที่สุดแล้วผมมาอยู่ที่นี่กับหมู่เพื่อนถ้าว่าย้อนยานลงที่สุดเลยจากนี้ไปก็อยู่กับหมู่เพื่อนมาได้อกจะแตกให้พานเข้าใจ สิ่งที่มันด้อยที่มันหย่อนยานเราไม่รู้สายตาเขาเห็นอย่างนี้เขาบอว่าเครื่องคาดดีแต่สิ่งที่หย่อนดยานอยในหัวใจเราเองในความประพฤติปฏิบัติการดําเนินของเราเมันด่อนดานขนาดไหนเราไม่รู้กินที่มันดีผึงถึงถึงภายในนั่นนหละเป็นแท่ง ดีอยู่ด้วยสติดีอยู่ด้วยปัญญานั่นแหละเท่นถึงทุกอย่างก็เพราะอาศัยไปเท่านั้นไงต่วังเอาความดีความดีความพิเศษวิโสอะไรกับมันสิ่งน่นี้ปัจจัยสี่นี่ก็เพราะมาเยาียวยาธาตุขันนี่แล้วเยียวยาธาตุขันแล้วธาตุขันนี้จะพิเศษไปไหนอีกมันก็เท่าธาตุขันนี่เอามายากันแค่นี้ก็เท่านี้มันจะพิเศษอะไรจากกว่านี้ไปนี่เยียวยาหัวใจนั่นแ่ะที่มันวิเศษอยู่ตรงนั้นพอ มีทำเข้าภายในใจแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาแปลกประหลาดขึ้นมาอัด จ, จันทร์ขึ้นมาภายในความรู้ตัวเองภายในความรู้ตัวเองใครมารดูพวกกรตามมันเห็นชัดชัด ม, มันเด่นเด่นเด่นนี่แล้วที่ว่าเดือดกะเกี๊ยดตะกายเราเพราอย่านี้เองเรานิสัยว่าสนามหยาบมันก็ต้องบืนไปตามความหยาบตัวเองมันลำบากลำบนมากการเระพูดปฏิบัติขึ้ตัวเองในนี้กล้าคูดหนึ่หมู่เพื่อนฟัง ดูดูที่ผมบวชมานี้กี่พรรษานี่แล้วนี่ผมเพิ่งไม่ได้บินสมาธสามวันที่ผมไม่สบายท้อเนี่ยทั้งท่านที่ผมฉันอยู่ทั้งสามวันผมไม่อยู่บินสมาตรขาดบินสบาติไปทั้งสามวันนี่มีเท่านี้ในีวิตองผมตอนนั้นไม่มีการเดินทางนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ว่าอยู่ธรรมดาเรานี่ไปบินสมาตไม่ได้ เก็บไข้ได้ป่วยพิรุษบาดไม่ได้แต่ฉันได้ผมไม่เคยให้มันอยู่อะไรที่พูด mm hmm. อย่างไรขาการออกปากฟ้องอยาก 9, า้าวสิบบังคับขึ้นดัดด้วของไว้มันมันนอนใจแม่มัประหม่ามันประห ม, ม่าแล้วเมื่อวันจะประหม่านั้นมันขี้เกียดนี่แล้วมันจะขี้เกียดนั้นมันจะเกียดนั้นดัดเอาไว้ดัเดเอาไว้ฟิตเอาไว้อย่างไรเดิ น, <laughs> ดนเซซัดปัดถึงไปก็ไป ทำได้สองสาคำก็ไปใช้ไม่ได้ว่านี่ฉันไม่ได้ต้องไปดัดนี่อยงนันนน้นหลาเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องเลน่นบากลําบนที่สุดไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์หูเพื่อนหนึ่งนะเพราะนิสัยไม่มันนิสัยของก็ไม่อํานวยไม่เห็นสนใจว่าอยากเป็นครูเป็นอาจารย์สอนใคร เอาออกปฏิบัติก็มีแต่เล่นอของจ้ของไงไม่มีคืนมีวันมีปีมีเดือนหมุนติวต้วติ้วทุกข์ลำบากที่สุดก็คือการสู้ที่เห็นมาสมบุกสมบันน้ำมากทีเดียวทีจะเหมือนจะเป็นจะตายยังไงต่อสู้พอจากนั้นมาแล้วก็นั่นกับครูคนนี้ก็อาจารย์เลยมันก็มีอย่างที่เห็นนี่ั่ะ มันก็ตอนไนแนะนำสั่งสอนด้เป็นภาระพลังทั้งข้างนอกข้างในอยู่โดยดีเขามาเกี่ยวข้องกับเราการรับผิดชอบมันแยกกันไม่ออกเมื่ตอต้องรับผิดชอบเป็นภาระอยู่โดยดีอยากให้หมู่บ่านคลึกติบปัญาขึ้นมาภายในจิตใจ สติปัญญาเท่านั้นจะทันยิเรศนะมันไม่ทนันโปรตงไปน่นึ่ไปนอตหึงนึ่พอเจ้าของ็มามันวิ่งกับเขาเลยติดพันไปเลยหนึ่งเพราะว่ า, วาบ้ามากเอางึงเอ้อนึ่งจางอะยุงอยู่อยู่ๆๆเลยเลยจ้าของอมา เวลามันจิตมันดุ่งมันดุ่งจริงนะคิดไม่ลืมเรื่องของปฏิบัติที่แรกเข้มขวดกดขันเข้มข้นความเพีย่ยนเริ่มตั้งแต่รเข้มข้นจะไมีแปลกอยู่างที่วแบบ่าเวลาเราเรียนหนังสืออยู่ห้าทักษคาตัคหาก็เหมือ น, นมันตื้นมันดิบเวลาออกปฏิบัติที่เอาจริงเข้าได้เข้าเข้มจริง มันเร็วแต่มันไม่ได้หมายถึงกาแสดงทางวิญญานะมันเป็นอยู่ภายในจิตเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะเอ๊ะเรื่อยปฏิบัติว่าจะถอดถอนจุดเด็ดดับจุดเด็ดทาไมไมันเห็นมันแสดงนี่อย่างนี้คือแต่ก่อนเรายังมีสติ <c oughs> นเวลามันมีสติมันดิน้นออกมามันก็รู้กันเอ๊ะเอชาวพนจนกระทั่งสมาธิเข้าคอบมือมันสงบัว ไม่ยุ่ไม่วุ่นมากกวาขง้งนอกคือไม่ดิน้นไม่ดีบพอจิตสงบได้เป็นสมาธิต้องมันก็อยู่ในความสงบสบายแต่ ไ, ไหนก็สบายแต่เราไม่ต้องการเป็นแค่นั้นที่เรต้องการให้มันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งต้องลำบากตลอดเวลาไม่ไมขี้เกียจแล้วมีความเพียนในขั้นสมาธินี่ไม่ขี้เกียจแล้วะมันขยันเพื่อให้ความสงบทังนั้นเพื่อความขี้เกียจพูดง่าย ขยันสมาธิให้จิตสองบ อ, อ, อยู่นั่นไม่อยากเล่นกับอะไร เ, เนี่ยมันขยันเพื่อความขี้เกียจพอเข้าอยู่สมาธิจิตสงบแน่วอยู่นั่นเสียมันมีรู้ความรู้อ่นเดียวเท่า น, นั้นน่ะมัเข้าอยู่นั่นแน่วอยู่นั่นน่ะไม่ออกประเกี่ยวข้องอะไรก็เหมือนอะไรไม่มีอย่างนั้นพอถอนเอาไว้มากระทบกระเทือนลูเล้เสียงกินดกนดต่างๆมันก็เหมือนคนขี้เกียจเอากระตากแดดตับหัววุ้ไม่ไหวไม่ไหวโดยเข้าไปล้มนอนหนึ่งเหมือนคนตาย อันนี้มอนกันจิตที่มันประกอบความเพียรทั้งท่านที่จิตมีสมาธิอยู่แล้วก็มีความขยันในการประกอบความเพียรความขยันนี้มันก็เลยความขยันเพื่อความขี้เกียจเข้าไปสงบแล้วมันขี้เกียจอยู่นั่นเสียงอคือมันสบายตอนมันหมุนมันลำบากมากอีกขั้นหนึ่งก็คือปัญญาแต่ลำลาบากอันนี้ไม่ใช่ลําบากเราบาับางคับนะ ลำบากด้วยอัตโนมัติมันเป็นน้ำมันเองอันนี้จะทุกมานไม่ลืมนะหมุนติวติวติวตวตลอดเลยอ่ะมัจะว่ามันเหมือนคงจับกไม่ใช่คงจับเหมือนธรรมจักรแต่ก่อนที่เหลี่มมันวัตจักรมันหมุนมัดเข้าไปมากกว่าที่นี้มันเป็นนั่นแหะมันเป็นธรรมจักรมันคลี่คากันออกหมุนติวติวมันก ตอนตอนที่มันเห็นผลความขี้เกียจมันหายหน้าไปคือตอนมันกล้าวไปอัตโนมัตินี่สติปัญญาอัตโนมัติความเพี่ยนอัตโนมัติความขี้เกียจหายหน้าไปเลยจริงๆริงต้องในล้างเอาไว้มันเลยเถิดถึงขั้นนี้ต้องล้างนะในล้างมันเลยเถิดคือล้างเข้ามาสู่ความสงบมันจะตายจริงเมื่อไปแล้วก็ต้องเข้าสู่ความสงบบังคับบังคับสู่ความสงบคามสงบ ลงไปมันก็สบายเบามัรู้เลยสักทนพอพอถอยมาภาพมันดีดถึงที่มีกำลังพุ่งพุ่งไม่ต้องวอรทีเรื่องงานนะเพราะมันจะททำอยู่แล้วนี่ดีดถึงถึงไม่วิถีวิจารณ์ของทํานี้กิเกณย์ของก็ถูกเพราะความคาดันเนกับความจริงผิดกันมากนี่ที่เราคาดเอาไว้ว่าเวลาจิตมมีความละเอียด เข้าไปเท่าไรแล้วภาระนี่งจะน้อยลงน้อยลงยิ่งจะมีความสะดวกสบายการงานก็ละเอียดเข้าไปความสบายก็ยิ่งเพิ่มมากเพิ่มากงานก็น้อยลงไปจ mm ิต hmm. ยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งสบายไปเรื่อยๆเป็ความคาดหมายนี่นะนเวลาเข้าไปสู่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น mm hmm. เข้าไปสู่ความละเอียดเท่าไรมันยิ่งหมุนมันโอ้โหหมุนไม่มีวันไม่ม น, น, นอนไม่ได้ตลอดรุ่งไม่หลับเลย กางวันยังไม่หลับอีกแลมันจะตายยังไงทําไงเนี่ยวะนั่นดิมันไม่ถอยสู้ไม่ถอยหนุนตึ้งตึ้ง อ, อ, อ, อยู่คำาแพ้มีไม่ได้วะงั้นถึงขั้นนั้นแล้วมีไม่ได้ครับทำมาแพ้ให้ตายซะเลยจะแพ้ไปไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นถึงพิจารณานั้นตอนไหนร่างเอาไว้นี่แครับจะมาพิจารณาว่ามันผ่านไปแล้วมันก็รู้อ้ออุทจจะเป็นยางนี้ความชุ่งความเพลินและความเพียร รู้เองไม่ต้องบอกวันนี้พอพูดนี้มันก็สะดุดอีกนะมันก็เคยสะดุดอยู่แล้วเคยพูดอยู่สมออย่างทพูดถึงว่าเอหิปัติโกนอันนี้พูดในคำอาคาบุวิสากรบูชาเอหิปัติโกสามารถลองเลี้ยงคนอื่นลองเดียวมาดูได้เวลาเราปฏิบัติมันขัดกัน เรื่ที่มันเป็นไปด้วยกันมันก็ไม่ขัดแต่อีปฏิโคนนี่ขัดกับหลักที่เราปฏิบัตินะสามารถร้องเรียกคนหนึ่งมาดูได้มาดูอะไรไปล่องเรียกใครเขาจะหาว่าบ้างของจริงที่ไหนใครจะไปเห็นได้ไม่ได้เอหิก็หมายถึงว่าทำนะเตือนเราตามภาษาบาลีนั่นแหะเอหิหินั้นบางครา้ให้ขึ้นะตะวังแปลว่าท่านหรือว่าเธอ ตีอันตีหินถ่านนิมาเตยนเตเสียเอหินแปลผู้แปลก็ต้องแปลตามหลักบาลีนี่เอหิสามารถลองเรี่ยคนอื่นมาได้ใช่ไ้มท่านจึงมาดูทําของจริงท่านนั้นเลยหมายไปคนอื่นท่านหมายถึงว่าทําเตือนเรานี่ท่านต้องย้อนจิตเข้ามาดูนี่สิฉันจะทําอยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานที่นี่น่ะท่งไปอะไรยุ่งอะไรตึงเงาไปไหนความหมายว่าไงทําท่านเตือนเรา มือเธอถึงด้านริงก็กมาดูนี่สิผมจริงที่นี่อย่าส่งออไปนอกความหมายว่างั้นเอหินนั่นเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่ท้าทาอยู่ตลอเวลาความจริง น, นี่ดันก็นมาดูสิจะได้เห็นถ้าไม่ดูไม่เห็นตายถึงมันตายก็ไม่เห็นความหมายว่างั้นไอหิไอหิปฏิโก รู้เองเห็นเองถ้าเข้ามาท่านมาดูท่านมาท่านต้องดูออว่านันบอกก็ดูนมาดูบอกใครเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนั่นทนสอนเราจะแจ้งจะไปหาบอกใครมาดูเขาจะหาบ้าๆในครั้งที่ผมเคยพูดเรื่องท่านอาจารย์สินท่านปเป็นไข้า ม, ามารียอยู่ที่ตำบลพะเวทอำเภอนาแก ท่านบางวินตบาดบ้านแก้งมาแก้งมาหักกันเถอะพวกที่เคยไปเท่นั้นก็รู้เองพ่อผมเคยไปอยู่นะท่านเป็นไข้ในเนสมองก็ว่าเป็นบ้าว่านั้นเลยท่านสาคัญตนว่าท่านสําเร็จแล้วก็บ้าสําคัญตนว่าสําเร็จสเร็จเลยความสาคัญในเวลาเป็นบ้าหรือในเลาเป็นดีคนชั่วท่าบาทดินตบาทมองเห็นใครไม่ได้ สำเร็จแล้วยังเขาถามเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยสำเร็จอะไรเอาล่ะนะทีนี้เอาใหญ่เลยเขาไม่รู้เรื่องนี่สำเร็จอะไรเขาก็ว่าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนี่โอยเทศใหญ่เลยจะไม่ฉันด้วยงหันด้วยซ้ำอ่าแภายบาทอย่างนั้นะเทศใหญ่เลยนี่พอพอเขารู้เรื่องแล้วก็สำเร็จแล้วยังเขาก็บอกว่าสำเร็จแล้วทัไปทั้งประเทศหรอกเขาตรองอิดแล้วถามสําเร็จแล้วยังสําเร็จแล้ววันนี้สำเร็จถามเด็กก็สำเร็จถามผู้ใหญ่สาเร็จมือมันรู้ทั้งรู้ทั้งบ้าศงแล้วสําเร็จแล้ว ท่านก็ไม่ได้เทศนี่พราะเขาสำเร็จแล้วนี่ว่าไงสำเร็จเหมือนท่านนั่นแล้วท่านก็ไปถ้าลรามีใครว่าสําเร็จอะไรยังไม่สําเร็จก็เอาแหละเทศนั่นเขียลืมฉันหันมาเข้าในบาเขาจะเน่าเฟะมาเขินด้วยนั่นแหละเป็นไงท่านมาดูทํางกิ่อาตมาสําเร็จแล้วพวกนี้สําเร็จหรือยังเนี่ยนันก็แบบนั่นแล้วพิจารณาแบบนี้มันไม่เป็น ทำท่านเตือนหลองบอกคุเธอแล้วน้องจี่ก็มารูนี่สิความหมายว่าอย่างนั้นแค่รู้ที่นี่สันทิติโกจะรู้เองๆนี่น้องก็มาได้ยินแบบอะไรมาสัมผัสทางลูกเสียงดินรถเครื่องสัมผัส ด, ด้วยตามูอจมูกร่า ง, งกายให้น้อง้ามาเทียบความเคียงเข้ามาโอปะนัยโกน้อง้ามาให้เป็นธรรมทั้งนั้นอืเห็นเขงหัวเราะร้องไห้แต่น้อง้ามาเป็นธรรมนี่มันหัวเราะร้องไห้เพราะเหตุผลกลไกอะไร เที่ยวเข้ามาเห็นคนร้องคนตายคนเจ็บไข้ได้ทุกอะไรก็นงเข้ามาเป็นทำเครื่องสอนตนเสมอเสม อ, อโอปันยิกเยี่ยหีปันญิกอเตือนเจ้าของร่างกิจเจ้ของเข้ามาภายใ น, น อ, ยอย่ามิจ่งข้าวนอกมากนะเตัอน ตั้งใจก็ปฏิบัตินะอย่ามานอนหยิ่เฉยไม่ไดงผมนี่มัก็เอาแน่มาได้ละทุกวันอย่างที่เห็นนั่นแหละอยู่กับหมู่เพื่อนไปได้กว่าดีท่าทขันพอแต่จะได้หยุ่เลยน้องใจเหนื่อยอย่างมือชาติโอเคพอเล่นเท่าไหร่ก็ไปมันเป็นนะเลยได้อยู่ อันนี้กุ้งเทศ อ, อ, อ่อยไม่ได้เรื่องอะไแล้วละ ว, วันนี้เพราะโดยความเหนื่อยเอาล่ะนี่เรื่อง ก, ก, นะกันนั้นนะก็มีอะไรดึกแล้ววันนี้